พุทเจ้าได้เคยตรัสไห้เป็นภาษิตในธรรมบทที่น่าสนใจภาษิตนั้นก็ว่าแม่น้ำน้อยไหลดังสนัน่นแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มนะสิ่งนั้นเงียบอันนี้ถ้าเราพิจารณาดูก็จะพบว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งมาก แล้วก็อธิบายอะไรอะไรได้ไหลายอย่างเกี่ยวกับผู้คนแล้วก็ทั้งตัวเองคาว่าดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดังของแม่น้ำลําห้วยหรือว่าการส่งเสียงดังของผู้คนมันก็มีที่มาคล้ายกันคนที่ก้าวร้าวหรือว่าโกรธกเกรี้ยวอันนี้ก็สะท้อนมาจากความ ที่เขารู้สึกพร่องข้างในอันนี้รวมไปถึงคนที่ชอบโอ้อวดหรือว่ารวมไปถึงการส่งเสียงดังแบบเมียบเช่นการแสดงภาพลักษณ์การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการซื้อของราคาแพงมาประดับตัวอันนี้ก็เป็นการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งหรือประกาศตัวตนน่าจะไม่เสียงดังแต่ว่ามันก็สามารถจะ ส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยฉันเป็นใครอยากจะประกาศให้โลกรู้ในการซื้อของแบรนด์เนมนะการซื้อกระเป๋าราคาแพงนาฬิการาคาเป็นล้านพวกนี้หรือแม้กระทั่งขับรถหรูราคาหลายสิบล้านนี่มันก็เป็นการส่งเสียงดังเหมือนกันแต่ดังแบบเงียบแต่ว่ามันชัดเจนซึ่งมันสะท้อนถึงความรู้สึกที่ค่องข้างใน พร่องอะไรนะพร่องความสุขพร่องการยอมรับนับถือตัวเองหรือการเคารพตัวเองคนที่พร่องความสุขข้างในมีความทุกข์เนี่ยมันก็มักจะอดไม่ได้ที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นด้วยการแสดงอาการกราดเกลี้ยวก้าวร้าวหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะว่ายังพร่องใน การยอมรับตัวเองการนับถือตัวเองก็เลยอยากจะให้ก็เลยทดแทนด้วยการที่ให้พยายามที่จะทำให้คนอื่นมาเคารพนับถือตัวเองในการที่จะทำให้คนอื่นมาเคารพนับถือตัวเองเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการใช้อำนาจบังคับเขาหรือไม่ก็ใช้วิธีคุยโม ให้คนยอมรับว่าฉันเก่งฉันแน่หรือไม่เช่นนั้นก็ใช้วิธีการประกาศตัวตนด้วยเครื่องแต่งกายด้วยข้าวของเครื่องใช้อย่างคนบางคนก็อยากจะให้ผู้คนยอมรับว่าฉันคือนักปฏิบัติธรรมนะพะเห็นว่าการเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นของดีก็จะแสดงออกด้วยการพูด ธรรมะการสอนธรรมะอย่างพร่ำเพื่อให้คนเพื่อนๆได้หรือคนรู้จักว่าใฉันมีธรรมะฉันรู้ธรรมะนะหรือไม่ฉะนั้นก็แสดงออก้วยการแต่งกายนุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวอันนี้เป็นการส่งเสียงดังอีกแบบหนึ่งนะี่รียประกาศตัวตนหรือว่าเป็นการเชื้อชวนให้คนมายอมรับตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม อันนี้มันสะท้อถึงความความความพร่องข้างในบางคนก็ต้องการโอ้อวดว่าฉันเก่งฉันมีความฉลาดก็จะคุยโวคุยโมอันนี้เนี่ยในด้านดูภายนอกก็เหมือนว่าเามีความมัน อ, อกมั่นใจมีความฉลาดคนที่พยายามที่จะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองประทำอย่างเอาเป็นเอาตาย ดูภายนอกก็เหมือนว่าเขามั่นใจในตัวเองมากแต่ว่าถ้าดูไปลึกๆก็เพราว่าวเขาพร่องเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเขายังยอมรับตัวเองไม่ได้หรือยังไม่ยอมรับตัวเองเท่าที่ควรก็เลยพยายามที่จะไปหวานล้อมหรือว่าชักชวนหรือแม้กระทั่งบีบคั้นให้ผู้คนเนี่ยยอมรับว่ า, าเขาเก่งเขาแน่ ถ้าหากว่าแต่ถ้ า, าว่ายังไม่สําเร็จนะก็อาจจะใช้วิธีการที่รุนแรงก้าวร้าวอันนี้มันตรงข้ามคนที่เขารู้สึกว่าเขาเต็มไปด้วยความสุขหรือว่ายอมรับนับถือตัวเองหรือว่ามีความมัน่นใจในตัวอย่างแท้จริงนะเขาก็จะไม่ไม่แสดงการอย่างนั้นเศรษฐีที่เขาเขารวยจริงอาจจะ ใสนาฬิการาคาไม่กี่ร้อยยังมีเศรษฐีคนหนึ่งบริจาคเงินไปแล้วนี่หลายแสนล้านบาทบริจาคถึง 90% เซของรายได้ที่มีแต่ว่าไม่มีรถส่วนตัวสักคันใส่นาฬิกาคาสิโอราคา500บาทแล้วก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถคนส่งสาธารณะ อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะอันนี้เป็นเป็นอเมริกันในการที่เขาไม่ประกาศตัวตนด้วยเครื่องข้าวของราคาแพงหรือว่าแมนชั่นหรูนี่ก็มันก็น่าสะท้อนถึงความรู้สึกเต็มข้างในอาจจะเต็มในความสุขหรือว่ารู้สึกว่ารู้สึกมั่นคงในจิตใจแล้วก็ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้อง ไปประกาศตัวจตนหรือไปเรียกร้องให้ใครมายอมรับนับถือเขาไม่ต้องคุยโวโอ้อวดเพราะว่าเวลาเขาบริจาคเงินเขาก็ไม่ได้ประกาศว่าบริจาคเขาทำํำเงียบๆตั้งมูลนิธิขึ้นมาไม่ได้ตั้งมือที่ในชื่อเขาแต่ก็เป็นผู้อุปถัมมุมูลนิธินั้นแต่ความมันก็เพิ่งมาแตกเมื่อหลังจากที่เขาทำมาแล้วยี่สิบปี บริจาคเงินไปอยะ่างเงียๆอันนี้ก็เรียกว่าอสอดคล้องที่พระเจ้าตว่าเนี่ยสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังบางคนที่อยากดังเนี่ยมันก็ล้วนแต่แต่สะท้อนถึงความที่ข้างในนีน้พร่องและบางทีดังทางดีไม่ได้หรือดังทางทางที่สังคมยอมรับไม่ได้ก็ต้องดังแบบที่มันสะเทือนเรียกว่า สะเทือนขวัญผู้คนอย่างโจรอย่างชายหนุ่มที่ฆ่าจอร์ลดนนอนเนี่ยเมือ่อสามสิกว่าปีที่แล้วเขาฆ่าเพราะว่าเขาเหตผลว่าถ้าถ้าไม่ฆ่าคนจะรู้จักเขาได้อย่างไรเพราะว่าเขาสือเขาเป็นคนล้มเหลวตั้งแต่ชีวิตครอบครัวก็เป็นเด็กไม่ค่อยได้รับความรักจากใครเรียนก็เรียนไม่ไม่จบทำงานก็ไม่สำเร็จ รู้สึกตัวอย่างไร้คุณค่ามีแฟนแฟนก็ทิ้งเพราะรู้สึกตัวอยเองไร้คุณค่าก็อยู่ไม่ได้แล้วฉันเป็นโนบอดี้ฉันตายดีกว่าแต่ก็แพมค่าตัวตายขนาดค่าตัวตายยังไม่สําเร็จเลยเป็นคนที่เฟลทุกอย่างล้มเหลวทุกอย่างล้มเหลวมันก็ต้งค่าตัวตาย <c oughs> ค่าตัวตายไม่สําเร็จแล้วทําไงวิธีมันก็ใช้วิธีอื่นก็แล้วกันที่ทําให้ฉันเป็นที่ยึดจักเป็นซัมบอดี้ ก็เลยไปฆ่าจรเลนต์ น, นอตเพราะจอรเลนต์ น, นอต น, นี่ดังมากค่าได้สําเร็จก็มีความสุขว่าฉันเป็นที่รู้จักแล้วฉันเป็นซัมบัดี้อันนี้ก็เป็นการส่งเสียงดังอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันส่งเสียงดังแบบแบบที่สะเทือนขวาญผู้คนวัยรุ่นที่ตีกันนี่ก็เป็นการส่งเสียงดังอีกแบบหนึ่งประกาศให้โลกรู้ว่ากูเป็นใครมีกูอยู่ในโลกนี้นะเพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เพื่อนๆยอมรับพอแสดงเวทนาแบบนี้แล้ว เพื่อนเพื่อนก็จะยอมแล้วว่าเออมึงแน่มึงเก่งเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขได้รับการเติมเต็มเพราะว่าไม่มีใครยอมรับคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูหรือแม้กระทั่งพี่น้องก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าฉันนะไม่มีความหมายนะพอเจอเพื่อนโอ้ก็รู้สึกว่าได้รับการยอมรับแต่ยังได้รับการยอมรับไม่ถึงที่ถ้าไม่ได้แสดงวีรกรรม เ, เช่นไปตีหัวคั่หรือไปยิงคูวอรินะทาได้ก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนในความก้าวร้าวที่แสดงออกมานี่มันก็สะทอ้อนถึงความอ่อนแอเปราะบางข้างในการที่พร่องนะไม่ได้รับไม่ยอมรับตัวเองคนเราเมื่อไม่ยอมรับตัวเองไม่เคารพตัวเองแล้วมันก็ต้องไปแสงหาการยอมรับการเคารพจากที่อื่นจากคนอื่นคนเราถ้าพร่องความรัก มันก็ต้องไปแสวงหาเรียกร้องความรักจากผู้อื่นให้ผู้อื่นมารักฉันให้พู้อื่นมามามาชอบฉันนีหลายคนก็มีความทุกข์มากถ้าไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็จะต้องพยายามดิ้นรนทำทุกอย่าง น, นี้เป็นการส่งเสียงดังอี่แบบหนึ่งส่งเสียงดังด้วยการแต่งตัวให้แตะตาผู้คนหรือว่าให้สวยเพื่อคนเขาจะได้ยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนขี้เหร่ฉันเป็นคนสวย ยอมรับแค่นั้นไม่พอต้องมาเป็นแฟนฉันด้วยนะมันจะทำให้ฉันรู้สึกมีความมั่นใจใตัวเองมากขึ้นก็มีหลายคนนะที่บางทีก็รู้นะว่ า, าผู้ชายที่ตัวเองคบเป็นแฟนก็ไม่ดีอะไรแต่ก็จำเป็นต้องมีแฟนเพราะว่าข้างในมันมันเหงามันเคร้งค้างมันวังเวงแต่จริงมไม่ใช่แค่นั้นนะมันลึกๆก็เพื่ออย่าง ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ไม่ไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเรียกล้องดิ้นรนเพื่อให้หรือทำยังไงก็ได้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยมายอมรับตัวเองแม้กระทั่งยอมที่จะเสียเนื้อเสียตัวก็เพื่อให้ขอมาติดพันมาเป็นแฟนมาเป็นคู่ของตัวเองแต่ก็อย่างที่เราก็รู้มันก็เป็นวิธีการที่ไม่ฉลาด แต่ผู้คนก็เป็นอย่างนี้กันเยอะแยนะความรู้สึกพร่องนะมันก็ทําให้ทําอะไรที่ที่ไม่ฉลาดออกมาหรือว่าทําในสิ่งที่มันเป็นโทษกับตัวเองและแถมยังสร้างความทุกข์จากผู้อื่นด้วยแต่เราคนก็มีวิธีการแตกต่างกันบางคนก็ใช้วิธีการที่หยากบก้านวะร้าวหรือว่าเอะอะวายวายอย่างพวกนักเรียนอาชีวะหรือพวกหรือใน ชายหนุ่จะเป็นฆาตกรข้าจอร์ล่นนอนแต่มองคนก็ใช้วิธีที่ละเอียดกว่านั้นหรือว่ามันแผ่วเบาวกว่านั้นถ้ามีเงินก็อย่างที่ว่ามีเงินก็ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้านาฬิการถยนต์เพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวเองว่าฉันเป็นคนมีรสนิยมฉันเป็นคนเท่มากมัน ถ้ามีเงินน้อยหน่อยนะก็ซื้อของซื้อสินค้าที่มันจะสร้างภาพแล้วให้ตัวเองดูดีหรือว่าถ้าละเอียดไปกว่า น, นั้นก็อาจจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าดูมันดูมันยังยังยากอยู่ก็อาจจะพยายามทำอะไรก็ได้นะทำความดีพยายามทำสิ่งต่าให้สำเร็จเพื่อจะให้คนยอมรับนี้ทไมยอมรับเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับอย่างไรเขาไม่ยอมรับก็คือเขาตําหนิเขาเขาวิจารณานะหลายคนก็ตีสันติความมเนี่ยที่เขาวิจารณ์ที่เข า, า, เขาแม้กระทั่งแนะนําสั่งสอนเนี่ยก็คือการไม่ยอมรับว่าฉันดีฉันเก่งฉันแน่ฉันประเสริฐก็จะเกิดความขุนเคืองใจอาการแสดงขุนเคืองใจเนี่ยเวลามีคนตนําหนิตีเตียน ต, ต่อว่าดทาทาวหรือแม้กระทั่ง ทักทวงเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกต้องการการยอมรับจากผู้คนทำไมต้องการการย อ, ยอมจากผู้คนก็เพราะยังยอมรับตัวเองไม่ได้ยังพร่องอยู่อย่างนี้ความต้องการที่จะต้องการการยอมรับผู้คนนี่มันมันมากนะไม่ใช่แค่ตาหนิไม่ได้สอนไม่ได้แม้แต่ไม่กดไลน์นี่ก็ก็ทุกข์ละ เพียงแค่ไม่กดไลค์นิ้วโอจะตายให้ได้เพราะอะไรเพราะต้องการการยอมรับการยอมรับทีนี้การการต้องความต้องการการยอมรับนี่มันของผู้คนนี่มันเขาเรียกว่ามันต้องการมากทีเดียวต้องการแบบจุกจิกเล ย, ยเช่นเพียงแค่ไม่กดไลค์นี่ก็ทุกข์แล้วต้องให้กดไลค์ต้องมีคอมเมนต์ต้องมีการชม วันวันหนึ่งก็ต้องอัปโหลดหน้าตัวเางเซิฟี่วันละห้าหกภาพโหลดนะโหลดแล้วโหลดอีกนะซึ่งก็ยิ่งทำให้มีความทุกข์มากนะเพราะว่ายิ่งเรียกร้องยิ่งคาดหวังก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้ยิ่งเรียกร้องก็ยิ่งไม่ได้นั่นเป็นธรรมดานะยิ่งเรียกร้องความรักจากใครก็ยิ่งได้น้อยลงได้น้อยลงพอเขารู้สึกละอาเขารู้สึกลาคาญ แต่พอไม่เรียกร้องนี่กลับได้เพราะก็เห็นว่าเออเป็นทำอะไรด้วยความจริงใจไม่ได้ทำเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจแต่ทำต้องการทําเพราะต้องการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความจริงใจคนก็เกิดก็เทความรักความความเป็นมิตรหรือว่าเทน้ำใจให้อันนี้เนี่ยเวลาเวลาเราถ้าเกิดว่าเรามีอาการแบบนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดเนี่ยนะมันก็เป็นสัญญาณ ที่ดีนะที่ทําให้เราเนี่ยที่เราควรจะกลับมามองตัวเองว่า เ, ออเรามันพร่องที่ตรงไหนที่จริงถ้าจะพูดไปอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยปุตุชนนะมันก็รู้สึกพร่องกันทั้งนั้นแหละอันนี้มันเป็นความรู้สึกในส่วนลึกในระดับจิตจิตไร้สํานึกทีเดียวแต่ในระดับจิตสำนึกเนี่ยในระดับพื้นผิวในระดับเดบลที่เราก็พอจะพูดได้ว่าเออคน มันก็มีผุู้ช น, นก็มีคนจนุไม่น้อยที่เขามีความพอใจในตัวเองเ็ามีความรู้สึกพอเขามีความเต็มอิ่มเขารู้สึกเติมเต็มในเรื่องการในเรื่องความสุขในเรื่องการยอมรับตัวเองเคารพตัวเองเขาไม่ดิ้นรนที่จะเรียกร้องอะไรจากใครเพราะว่าเขาเป็นเหมือนน้าแม่น้ำหรือลำห้วยที่เต็มแล้วหรือแม่น้ำลำห้วยสายใหญ่นะเขาก็ไหลนิ่งสงบ แต่ถ้าพูดในถ้าพูดในในเชิงอะไรในเชิงเตียปวาปรมัดก็ได้นะคนทุกคนเนี่ยย่อมมีความรู้สึกพร่องไม่มากก็น้อยมันมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นฝนหลังเขาแต่เขาเป็นชาวพุทธนะเขาก็เป็นนักปรัชญาเขาอธิบายว่าความรู้สึกพร่องมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย โดยจิตและสมมตเนี่ยมันปรารถนาให้การมีปรารถนาตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนแต่ว่าในส่วนลึกอีกด้านหนึ่งของมนุษย์เราก็รู้ว่าตัวตนไม่มีอยู่จริงมันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าวแวบแวบแผ ม, ม, มเข้ามาว่าแท้จริงแล้วตัวตนหรือตัวฉันเนี่ยมันไม่มีจริงอะไรที่มันไม่มีจริงเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันยอมพอจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นพ อ, พ อ, พ, อพอรู้ว่า รู้แผมว่าตัวตนไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันก็รู้สึกวันไหวมันรู้สึกวันไหวมันมันเหมือนกับทาใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าฉันไม่ได้มีฉันไม่ได้เคว้งคว้างก็ต้องพยายามที่หาอะไรมาเติมเต็มหรือหาหาอะไรที่เป็นที่ยึดเกาะที่ทําให้เกิดความอุ่นใจว่าฉันมี ทำให้เกิดความอุ่นใจทำให้เกิดความมั่นคงภายในวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงภายในหรือว่าบรรเทาความรู้สึกพร่องก็คือการที่เอาการไปผูกติดกับวัตถนะุการไปอิงการเอาจิตไปผูกอิงกับวัตถุเพราะวัตถุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะดูมันมั่นคงนะดูมันนะจีรังยั่งยืน อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกที่จะอยากได้สิ่งต่างๆเข้ามาการที่ผู้คนอยากจะได้มีอยากมีเงินเยอะๆอยากมีวัตถุอยากครอบครองทรัพย์ ส, สมบัติต่างๆมากมายเนี่ยมันสะท้อนถึงความพร่องข้างในถ้าอธิบายแบบพวกคือแบบง่ายๆคือมันมีความโลภแต่คำถามคือทำไมถึงโลภทาไมถึงโลภทไมถึงอยากได้ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าเพื่อมาเติมเต็ม เพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกพร่องเพื่อมาทดแทนความรู้สึกพร่องเพื่อมาบรรเทาความรู้สึกพร่องนั้นแต่ว่าเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีเพราะว่าไอ้ความไอ้ความความไม่มีตัวตนเนี่ยมันมันเป็นของจริงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่นึกเอาแต่เมื่อไหเราก็ไม่ยอมรับว่าตัวกลัไม่มีจริงนะมันก็ยังรู้สึก มันไม่ยอมรับก็เลยรู้สึกพร่องจะพยายามที่จะตอกย้ํายืนยันว่าตัวโกนี่มีจริงหรือว่าจะพยายามที่จะเติมเต็มให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้เกิดความมั่นใจไอการไปเอาดิ้นรนแสวงหาวัตถุสิ่งของมาเพื่อจะทําให้เกิดความรู้สึกมั่นใจเกิดความรู้สึกเติมเต็มขึ้นมาแต่ก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสักที <c oughs> มันก็ไปหาไปหาอย่างอื่นมาแทนเช่นอำนาจอำนาจนะการที่มีบริษัทบริวารมากๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกพร่องได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเติมเต็มจนรู้จักพอสักทีไอความไออำนาจที่มีเนี่ยนะมันก็คือตัวมานะแต่ mana ม, มันก็ไม่ได้แสดงออก ในรูปของการมีอำนาจอย่างเดียวนมันอาจจะรวมไปถึงการที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนด้วยการได้รับการยอมรับจากผู้คนได้รับการยอมรับว่าเออฉันสวยฉันเก่งฉันดีฉันแน่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็โดยละแต่เกิดจากความรู้สึกพร่องความรู้สึกที่ที่ตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเคว้งคว้างถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะทําให้ รู้สึกเติมเต็มมั่นใจมั่นอกมั่น ม, นมันคงขึ้นมาแต่มันทำได้มันไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เคยพอใจสักทีอันนี้เราก็เห็นได้จากพวกผู้มีอำนาจไม่ว่าตั้งแต่สมัยไหนสมัยโนนอียิปต์กรีกโรมันจีนนถึงยุโรปอเมริกาคนนี้ก็ไม่ก็ไม่เคยมีความพอใจในอำนาจที่ตัวเองมีสักที หรือว่าคนที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนพยายามที่จะทำให้อะไรก็ได้เพื่อให้ผู้คนยอมรับก็ยังไม่มีความสุขกับสิ่งที่ได้มาเพาอยากได้อีกอยากได้ไม่จบไม่สิ้นพอลึกๆก็ยังมีความรู้สึกพร่องอยแล้ววิธียังทํำยังไงถึงจะทําให้ความรู้สึกพร่องหมดไปก็คือการยอมรับความจริงว่าจริงแล้วมันมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกยอมรับซะการยอมรับนี่มันทําให้ มันทําให้ความทุกข์ความการดิ้นรนหายไปคนที่เจ็บป่วยแล้วยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้เนี่ยมันก็จะทุกข์มากไม่ใช่แค่ทุกข์กายทุกข์ใจด้วยคนที่ล้มเหลวแล้วยอมรับความล้มเหลวไม่ได้มันจะทุกข์มากแต่พอยอมรับได้เนี่ยก็มันย ก, กขบเคียวจากอกคนที่ยอมรับความสูญเสียการสูญเสียคนรักไม่ได้นี่จะก็จะทรมานเหมือนกันก็จะมีชืวิเหมือนคนตายหรือเหมือนกับ คอยหลังกลับไปสู่อดีสมัยที่คนรักยังอยู่ไม่ยอมรับความจริงแต่ทันทีที่ยอมรับความจริงได้ยอมรับคารสูญเสียขงคนรักได้มันก็โล่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะประจักษ์ได้หรือประสบได้ด้วยตัวเองหรือจากผู้คนมากมายที่เขาทูกเพราะเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทันที่เขายอมรับได้มันเบาไปเยอะเลยในทรอดีกานในการลึกการที่คนเรายอมรับว่ายอมรับไม่ได้ มันไม่มีตัวกูอยู่จริงๆเนี่ยมันมันสร้างความทุกข์กับผู้คนโ ด, โดยเพราะที่เป็นปุถุชนมากแล้วความทุกข์่นขณะที่มันสแสดงด้วยการพยายามหาอะไรเข้ามาพยายามลิงไล่ล่าสึ่งต่าง ม, มาครอบครองเพื่อจะเติมเต็มความรู้สึกพร่องที่เรียกว่าโลภะหรือว่าพยายามที่จะไปให้ใครแต่ใครมายอมรับตัวเองถ้าไม่ยอมแล้วก็โกรธเนี่ยเรียกว่าโทสะทั้งมด น, นี่เกิดจากความหลงนะ หลงว่าคือมันจะหลงว่ามีตัวตนนะแต่ที่จริงเนี่ยที่หลงมากกว่า น, นั้นคือคิดว่ามันจะไปเติมความรู้สึกพร่องให้หายได้แต่พอเรายอมรับตั้งแต่แรกว่าเออตัวกูไม่มีจริงมันก็จบการดิ้นรนแสวงหาก็หมดแต่การยอมรับว่าไม่มีตัวกูววจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ด้วยการคิดนึกเอาแต่ไม่ต้องเกิดจากการที่เห็นเห็นความจริง อย่างแจ่มแจ้งคาใจคาตาเนี่ยมันถึงจะปล่อยวางอันนี้ภาวานาในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันช่วยมันทำให้เห็นความจริงเพราะว่าวิปัสสนาคือการดูนะการดูใช้อะไรดูใช้สติดูใช้สตดิสตดูความจริงดูความจริงของกายและใจรวมทั้งใช้สติเนี่ยไม่เพื่อที่จะไม่ให้ความหลงความลืมตัวมันเข้ามาครอบงาเพราะถ้าลืมตัวหลงเมื่อไหร่ หรือหลงมาเลยมันก็จะไปยึดเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นตัวเป็นตนยึดกายนี้ว่าเป็นกูเป็นของกูยึดใจเนื้อเป็นกูเป็นของกู ย, กงกยึดแม้กระทั่งอารมณ์ไม่ใช่แค่อารมณ์ดีๆที่ยึเป็นกูของกูแม้กระทั่งความเจ็บความปวดความโกรธมันไม่ดีเลยนะแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะยึดนะเวลาปวดเวลาเมื่อเนี่ยเราเห็นหรือเราเห็นว่ากายปวดกายเมื่อยหรือเปล่าหรือว่าเราไปรู้สึกว่า ฉันปวดฉันเมื่อยเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าความโกรธเกิดขึ้นในใจหรือเราไปยึดว่าไปสําคัญว่าความโกรธเป็นชั้นเป็นของชั้นส่วนใหญ่ก็จะไปคิดว่าฉันโกรธฉันโกรธฉันดีใจฉันปวดฉันเมื่อยมีแต่ชั้นทั้งนั้นเลยมันยึดอะไรทึบมันเอาไปยึดเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจว่าเป็นกูของกูไปหมดอันนี้เรียกว่าความหลง อันนี้เพราะลืมตัวแต่เมื่อกร็ตามที่เรามีสตินะเรามาเรามาดูมันนะเราเห็นมันไม่ค่อาไปเป็นก็จะพบว่าไอ้ที่หมดทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิด ข, ขึ้น ก, กับกายกระจไม่ใช่กูของกูเลยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายบ้างเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจบ้างหรือแม่ก็เป็นเวทนาพูดง่ายคือเป็นธรรมะทั้งนั้น การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยกายอนุปัสนาเวทนาปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาคือการเห็นความจริงของกายและใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูเห็นกายว่าเป็นกายแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเวทนานุปัสนากายอนุปัสนาเห็นกายในกายความหมายหนึ่ก็คือเห็นกายว่าเป็นกายเวทนานุปัสนาเห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนา ไม่ใช่กูของกูเห็นจิตว่าเป็นจิตก็คือเห็นเห็นจิตในจิตคือเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูแล้วทั้งหมดนี้ก็จะทําให้เห็นธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นมันจะเห็นทั้งหมดเป็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นทั้มดเป็นขันไม่ใช่เป็นกูไม่ใช่เป็นของกูเห็นเป็นขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นเป็น ยัองออกาเป็นไอน้ตนะภายนอกภายในไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูมันก็จะทําให้เข้าใจเรื่องอริยสัจสีแล้วก็ทําให้ได้เกิดโพชฌงตามมาคือองค์ธรรมอย่างการตัสรู้น่าจะสืบสัติปัะธานสีนั่นคือมันเป็นได้ทั้งสมรถะทาําให้ใจสงบแล้วก็เป็นทําให้ปัศนาคือทําให้ได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นกูของกูเลยมันมีแต่รูปกับนามเวทนาเรียกลงเร็วว่าเป็นธรรม ก็ทําให้ถ้าดูไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เกิดความเห็นจริงเลยนะเออตัวกูไม่มีจริงยอมรับได้พอยอมรับได้มันก็หมดสิน้นซึ่งความดิน้นรนที่จะพยายามเติมให้เต็มไม่ว่าจะขนไควแสวงหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าคําสรรเสริญก็ตามอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกพร่องแต่ในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นก็พยายามรู้เท่าทันมันซะและขณะเดยียวกันก็พยายามรู้เท่าทันปฏิกิริยาของใจที่มันจะพยายามพยายามที่จะหาอะไรมาเติมเต็มอยู่เสมออย่างไรอย่างไรประโยชน์ยังไม่มีทางสำเร็จความพยายามที่อยางมาเติมเต็มที่ก็คือไป อยากไ ด, อกได้อยากได้น่นอยากได้นี่เอาเข้าตูรวมทั้งอยากประกาศตัวตนให้ใครรู้ว่ากูเก่งกูแน่มายอมรับชั้นได้แล้วนะต้องยอมรับชั้นสิว่าต้องเคารพชั้นสิต้องชื่นชมชั้นสิต้องสรรเสริญชั้นสิให้ผู้นี้นี่มันถ้าเราไม่รู้ทันนั้นเราก็ตกเป็นท่าของแรงกระตุ้นตัวนี้รวมทั้งการยอมรับความคิดของชั้นด้วยเนะี่ย อ น, นี้ตันหามานณทิฏฐิเนี่ยมันก็มาจากความสึกพร่องในส่วนลึกดังั้นถ้าเราไม่รู้ทันมันไอ้ตันหาก็จะมาคร่องกำจัยมาณาก็จะคล่องําใจทิฏฐิก็จะคล่องําใจแล้วก็ผลักแต่พฤติกรรมเราให้ทําอะไรที่บางทีก็งงงงงงบางทีก็ไม่น่ารักบางทีก็ถึงกับน่าเกลียดเพราะมันไปสร้างความทุกข์กับผู้คนบางครั้งเราอาจะต้องฝืนมันบ้างฝืน ไอแรงขับที่มันอยากจะได้มากๆเช่นไม่ยอมทำตามมันมันอยากจะให้มันอยากจะคุยโม่อยากจะอวดเก่งก็ไม่ทำตามมันบ้างมันอยากจะประกาศว่าฉันเก่งอย่งงางโน้อย่างนี้ก็ก็ฟืนมันเวลาเราประสบความสำเร็จหรือว่าเราได้คำสรรเสริญนี่เราเราสังเกตูมันมีแรงขับข้างในอยากจะคุยให้ใครก็รู้ว่าฉันก็ ฉันได้รับคำชมอย่างน้นอย่างนี้นะฉันได้รับคำสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้นะเดีย๋ยวนี้มีช่องทางมากเลยเนะี่ยนอกจากมอกจากพูดให้คนใกล้ตัวรู้แล้วก็ขึ้น Facebook เฟซบุ๊กไปเลยประกาศให้โลกรู้ว่าโอ้ฉันได้โน้นได้นี่นะอันนั้นก็เป็นมันก็มาจากแรงขับที่ที่เราเรียกเงากินเลท น, นะแต่ว่าโดยลึกออกไปคือความรู้สึกพร่องที่มันอยากจะได้รับการเติมเต็ม เราก็รู้ทันรู้ทันแล้วก็ <c oughs> ถึงแม้เรายังลบความรู้สึกพร่องไม่ได้แต่เราก็ทําได้อย่างหนึ่งคือไม่ไม่ทำตามแรงขับนี้ก็คือเงียบไม่คุยโมในที่เรียกว่าเนี่ยสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบนะลาน้ําใหญ่ไหลนิ่งสงบก็ลองทําตัวเป็นแม่น้ําใหญ่นะัะไหลนิ่งสงบมีดียังไงก็ไม่อวดเพราะว่าไอการทํอย่างนนนี่มันก็ต้องสู้กับกิเลสไม่น้อยเพราะข้างในมันอยากจะอยากจะอวดให้โลกรู้ แต่ถ้าเราไม่ฝืดมันถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ทวนกระแสบ้างมันก็จะพรอบ ม, มันก็จ ะ, ะเถลิงเปลืองน่าข้องงำใจหรือถึงกับขึ้นมาขี่ขี่หัวเราถ้ามันอยากคุยโม่มันอยากอวดมันอยากแสดงเราก็ไม่ไม่ทาตามมันดูซิว่าใครจะใครจะชนะ <c oughs> อันนี้ก็สิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะมันก็เป็นการฝึกให้ให้ ใ ห, ให้ความรู้สึกเติมเต็มเนี่ยมันมนนีขึ้นและทำให้กิเลสมันเรียกว่าอ่อนแรงไปเรื่อยๆแต่ใหม่ๆนี่มันก็มันก็เรียกว่าต้องสู้กันมากนะเพราะว่าในกิเลสมันก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะชนะนะบางทีเราก็ต้องเล่นงานกิเลสบ้างเล่นงานตัวอัตตาบ้างที่เราเคิดมีจริงเปิดรับฟังคำตาหนิติเ ต, ตียนคาตอบว่าด่าทอ มันเป็นตัวลถผู้ปษาชาบ้านคือตัวลถอัตราได้ดีมากมีนักบริหารหลายคนที่เขาประสบความสาเร็จมีคนชมเขาจนกระทั่งมันที้เขาเสือว่าเหลืองสิ่งที่เขาทำคือเขาจะไปไปฟังไปฟังลูกค้าฟังอะไรลูกค้าฟังลูกค้ า, าบน่นฟังลูกค้าตําหนิเนี่ยเขาว่ามันเป็นยาขม ให้คำตำหนิคำบ่นของผู้คนลูกค้าอแม่งเพื่อล่วงงานเป็นยาขมแต่ว่ามันช่วยลดอัตตาได้ดีบางทีเราก็ต้องใช้ต้องการยาขมเหล่านี้ด้วยนก็สังเกตนะเวลาใครตำหนิหรือนหรือแม้กระทั่งแนะนาสั่งสอนนิจใจเราก็จะต่อต้านขึ้นมาหรือไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธว่าจิตจ้อยนะฉันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะ เราก็รู้ทันเออนี่คืออาการของใจที่มันไม่ยอมรับมันมาจากตัวมารนะ mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วเราก็ก็ดูมันไปไม่ทําตามมันกลับยิ้มรับคํตาตำหนิคาวิจารณ์ซึ่งถ้าเราทําได้นี้ใจเราก็จะเรืใจเราก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้นอย่างที่เจ้าของเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิเรียรพันธ์นี่ก็พูเนี่ยวันไหนไม่ถูกตาําหนิวันนั้นเป็นอปมงคลวันไหนไม่ถูกตาําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลก็สะท้อนถึงใจที่ มีวุฒิภาวะหรือมีระดับการเติมเต็มระดับหนึ่งคือเขามั่นใจเขามั่นใจพอที่จะไม่หวันหวไปกับคำวิจารณ์ในขณะเดียวกันก็มีความตั้งใจที่จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็น้อมรับความวิจารณ์ถือว่าคำวิจารณ์หรือคำตาหนิเป็นมงคลอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราสามารถจ ะ, ะทำกับตัวเองได้นอกนจากการมาเข้าวัด การมาปฏิบัติทาการมาหลีกเล่นในการออกไปเจอผัสสะเจ อ, อคําตําหนิมันก็เป็นการฝึกใจได้อย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งเจออิทารมมโลคกระทำฝ่ายบวกแล้วก็ไม่มีอาการไม่แสดงไม่มีอาการหรือไม่แสดงอาการออกมาฉันอยากได้หรืออยากคุยโมอ้อยากประกาศให้โลกรู้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ฝึกเป็นเครื่องมือฝึกใจเราได้เอาละชาตึกัท่ น, นี้อร